ในหัวข้อเรื่องว่าพระอรหันต์สี่คืนหนึ่งสุขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสนาวิปัสนาล้วนสองเตวิโ ช, ชผู้ได้วิ ช, ชาสามสามชละพินโยผู้ได้อภิญญาหกสี่ปฏิสัมพิทปัตโตผู้ถึงปฏิสัมพิทา ประการแรกขอให้นักเกรยียนนักศึกษามาทําความเข้าใจกับคําว่าพระอรหันตเสียก่อนคําว่าพระอรหันตได้แก่ท่านผู้กําจัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเป็นเสรษฐกิจในพระพุทธศาสนาไม่ต้องศึกษาเพื่อคุณอื่นอีกต่ออีกต่อไปหรือพูดง่ายๆก็คือว่าพระอรหันตได้แก่ผู้กําจัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง เป็นผู้เสร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วโดยเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ทั้งสิบเป็นพระอาเสขะไม่ต้องศึกษาเพื่อคุณธรรมอย่างอื่นอีกท่านจำแนกตามคุณวิเศษมี ม, มีอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งสุ ข, ขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วน พระอรหันตุขวิปัสสกะนี้ไม่ได้เจริญสมถะภาวนาให้ชำนานในฌานโลกีมาก่อนตั้งต้นก็เจริญวิปัสนาภาวนาพิจารณานามรูปให้เห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์คือหมายถึงว่าทำให้กิเลสเหี่ยวแห้งไปฉะนั้น ท่านจึงไม่ได้ทรงคุณวิเศษมีหูทิศตาทิศเป็นต้นเหมือนพระอาหันต์ประเภทอื่นๆพูดง่ายๆก็คือว่าผู้ที่ได้สุขวิปสัสสกะนั้นคือผู้ที่พิจารณานามรูปโดยยกเอาสังขารขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ว่านามรูปนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงอ่าทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนการที่เห็นอย่างนี้แหละก็จะทําให้จิตใจสงบทําให้กิเลส <c oughs> เยียวแห้งไปนะทําให้กิเลสเยี่ยวแห้งไปผู้ที่อได้บรรลุอย่างนี้เรียกว่าอารหันตุขวิปัสสก์นะในทางพระพุทธศาสนาที่เราทราบ ก็มีหลายองค์เป็นต้นว่าพระรัฐบาลนะพระรัฐบาลนี่ก็ได้สำเร็จพระอาหารหันตุขาวิปัสสกะคือมีเห็นอย่างแห้งแล้งนะเรียกว่าเห็นอย่างแห้งแล้งคือขอให้นกักเรียนได้จำไว้ว่าพระอาหารหันต์ประเภทนี้ไม่ได้เจริญสมถะาภาวนามาก่อนนะภาวนามาก่อนในข้อสองเตวิโชผู้ได้วิชาสาม ถ้าอราหันผู้ได้เตวิชานี้ทรงคุณวิเศษนะทรงคุณวิเศษคือได้ฌานสามเป็นอหมายความว่าอารู้จักระลึกชาติผลหลังได้อารู้จักกําหนดจุติและการเกิดของสัตว์รู้จักทําอาสวะให้สิ้นไปนะรู้จักทําอาสวะให้สิ้นไปคือหมายความว่าผู้ทรงคุณวิเศษคือยานทั้งสามนั่นเองนะทรงคุณวิเศษคือยานทั้งสาม คือคำว่าได้วิชาสา3ก็คือได้หนึ่งเพนิวาสานุสติญาณสองจุตูปปาตญาณสามอสวรคญาณยา น, นี่แหละถือว่ า, าผู้ได้เตวิโชสามหรือว่าได้วิชาสามประกานนะข้อที่สามละพินโยผู้ได้อภิญญาหกคือผู้มีความสามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมีหูทิพมีหูทิปรู้จักกำหนดใจผู้อื่น มีตาทิพย์ก็สามารถที่จะมองเห็ น, นได้อย่างลึกซึ้งนะเห็นไกลามากดวงอันเธอมีเห็นไกลเรียกว่าเห็นด้วยตาปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็รู้จักระลึกชาติได้รู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปนะอย่างนี้หละเรียกว่ า, าผู้ได้อภิญยาหกประการข้อสี่ปฏิสัมพิทั ป, ปตโตผู้ถึงปฏิสัมพิท า, าพร้อมด้วยอารั พระอาหารหันต์ประเภทนี้เป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตในปฏิพานเรียกว่าอัฏฐะไปสัมพิทาผู้แตกฉานในอัตธรรมะไปสัมพิทาแตกฉานในธรรมนิรุตติไปสัมพิทาแตกฉานในเรื่องภาษาและปฏิพานะสัมพิทาก็แตกฉานในเรื่องไหวพริบปฏิพานนี่เป็นเรื่องของพระอรหันต์ทั้งสี่ซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปนะมีความแตกต่างกันไป ท่านี้ทจะตั้งปัญหาถามว่าถ้าอารหันตุขวิปัสสกะท่านได้เจริญกรรมฐานอะไรและได้บรรลุอาหารหันต์ด้วยสามารถแห่งวิมุตต์อะไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าท่านได้เจริญวิปัสนากรรมฐานและท่านได้บรรลุอาหารหันต์ด้วยสามารถแห่งปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คือหมายถึงว่าวิมุตต์เนี่ยมีสองคือเจโตวิมุตต กับปัญญาวิมุตต์ส่วนส่วนผู้ได้ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวนั้นเรียกว่าผู้ได้ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญหาแทงปัญญาหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าพระอรหันต์ทั้งสีได้บรรลุวิมุตต์ต่างกันหรือไม่ถ้าเช่นนั้นจําพวกไหนได้บรรลุวิมุตต์อะไรเราก็ตอบได้ทันทีว่าต่างกันเพราะอรหันตุขวิปัสสกะได้บรรลุปัญญาวิมุตต์ นะได้บรรลุวิบัญญาวิมุตส่วนเตวิชโชผู้ได้วิชาสามชะละพิญโยผู้ได้พิญญาหกปฏิสัมพิทัพปัตโตผู้ผู้ถึงไปสัมพิทาสีา่ทั้งสามประเภทนี้ได้ได้บรรลุเจโตวิมุตินะได้บรรลุเจโตวิมุตคือหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งใจนะหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งใจ หรือถ้าจะสร้างปัญหาถามว่าพระอาหารหันต์ทั้งสี่มีการละและการบําเพ็ญต่างกันไหมหรือเหมือนกันอและต่างกันที่ตรงไหนอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าเหมือนกันก็มีต่างกันก็มีเหมือนกันที่ละสังโยชน์ได้อทั้งสิบมวดด้วยกันทางนั้นและต่างกันที่การบําเพญเา็ญของพระอ า, อ า, อ า, หารหันตสุขวิปัสสกะและพระอาหารหันตและพระอาหารหันตนอกนี้น คือพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกันก็มีต่างกันก็มีอ่าที่เหมือนกันก็ทีละสังโยชน์ได้ทั้งสิบหมดด้วยกันทั้งสิ้นนะคือหมายว่าละด้วยกันสังโยชน์ทั้งสิบหมดด้วยกันแต่ต่างกันที่การบําเพ็ญของพระอรหรขขกกันตุขวิปัสสกานีคือไม่เหมือนกันพระอรหรันตุขาวิปัสสกะนั้นจะเริญนวิปัสสนาอย่างเดียวนะแต่พระอรหันต์นอกนั้นจะเริญทั้งสมถะ อ่าภาวนาและวิปัสนาภาวนานี่ต่างกันอย่างนี้นะอา้าวทีนี้ก็มาว่ากันในหมวดต่อไปอีกก็คือเกี่ยวกับเรื่องพระอายบุคคลสี่เมื่อกี้เราว่าพระอรหันต์สี่ก็มาว่ากันถึงพระอายบุคคลสี่ต่อก็คือหนึ่งพระโสดาบันสองพระสกะทาคามีสามพระอนาคามีสี่พระอรหันต์คำว่าอายะบุคคล หมายเอาบุคคลผู้ประเสริฐนะบุคคลผู้ประเสริฐคือคำว่าอริยะเนี่ยมีความหมายหลายอย่างอ่าจะแปลว่าบุคคลผู้ปราศจากค่าศึกคือกิเลสตัณหาก็ได้หรือว่าจะแปลว่ า, าบุคคลผู้ยอดเยี่ยมก็ได้นะเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในอระยบุคคลสองนะ ในที่นี้ท่านจําแนกออกเป็นสี่คืนหนึ่งพระโสดาบันได้แก่พระอิยบุคคลผู้ได้บรรลุโสดาปฏิผลแต่ยังเป็นพระเสขาบุคคลอยู่ท่านจําแนกไว้เป็นสามพวกคื้หนึ่งเอกับชีโสดาบันสองโกลังโกละโสดาบัน 3, สามสตักขตุประมะโสดาบั น, นและพระโสดาบันนี้ก็ยังละสังโยชน์ได้สาม คือหนึ่งสักกายะทิฏฐิไม่ยึดมัน่นถือมั่นในตัวตนสองวิจิกิจฉาไม่ดังเลสงสัยสามศีลพระาปรามาตไม่ถือศีลพลดคือไม่ติดเรื่องศีเจ้าเข่าทรงหมอดูหมอดวงต่างๆนี่ไม่เอาแล้วนะหมดกันนี่พระโสดาบันละได้แปลการที่สอง พระสะกทาคามีได้แก่พระยะบุคคลผู้ได้บรรลุสะกทาคามิผลยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่พระยะบุคคลจำพวกนี้จะต้องไปเกิดในเทวโลกอีกภพหนึ่งก่อนเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วจึงมามังเกิดในมนุษย์จึงมามังเกิดในมนุษยโลก แล้วจึงได้บรรลุพระอาหารหัตตผลในมนุสโลกนี้ทั้งนี้หมายความว่าจะไม่ได้บรรลุอริยผลเบื้องสูงขึ้นไปในภพนี้นะแล้วพระอริยบุคคลประเภทที่สองนี้คือพระสกทาคามีก็ละสังโยชน์ได้สามประการคือหนึ่งสักกายทิษฐิสองวิจิกิจฉาสามสีพรพตาปรามาศพร้อมกับธรรมราคะโตสะให้เบาบางนะเนืกว่าสูงกับพระโสดาบันอีกนิดหน่อยตรงที่ว่า ทำราคะโทสะให้เบาบางนะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพระอริยบุคคลทั้งสองประเภทนี้ยังละกามราคะไม่ได้นะยังละไม่ได้ละเรื่องกามไม่ได้นี่ฉะนั้นเรื่องกามนี้มาพูดถึงในแง่ของนักบวชแล้วชาวบ้านเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ถ้าเรามาพิจารณาตามที่เราได้ศึกษาแล้วก็ มันก็เป็นเอ่อเป็นเรื่องที่ที่เรียกว่ามองตรงกันข้ามกับชาวบ้านนะมองตรงกันข้ามคือชาวบ้านเห็นว่าผู้ที่บวชพระแล้วน่ะต้องทําตัวให้เหมือนกับเป็นพระอรหันต์จะไปคุยกับอย่างนั้นอย่างนี้ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะให้เราได้หลุดพ้นจากเรื่องการมน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดพระโสดาบันยังละกามไม่ได้นะยังละกามไม่ได้ นี่นางวิสาขาวรรลุโสดาบาันแล้วก็ยังมีลูกทั้งกี่คนนี่ตั้งเป็นลูกมั่งหลานมั่งเลนมั่งรวมกันแล้วตั้งเป็นพันพันคนเห็นไหมก็ยังละกาไม่ได้เมียของในพรานอากุกุกตมิตรนั่นก็เป็นโสดาบาันแม้จะเป็นภรรยาของในพานอเป็นโสดาบันแล้วก็ยังไปเป็นภรรยาของในพานเห็นไหมนี่โสดาบันยังละไม่ได้ก็ขนาดสกทาคามีสูงกว่าโสดาบาันก็ยังละกามไม่ได้ ฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะบอกให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ฟังว่าไอ้เรื่องการเนี่ยดูดูอย่างชาวบ้านแล้วก็ดูเหมือนว่ามันง่ายนะง่ายแต่จริงๆในข้อปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องยากนะสูงมากเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าแม้แต่พระยะบุคคลอสดาบันกับพระสะกะทาคามีก็ยังละไม่ได้นะทะนี้มาข้อสามพระอนาคามีได้แก่พระยะบุคคลผู้ได้บรรลุ อนาคามิผลยังเป็นพระเสขะอยู่พระอริยบุคคลจำพวกนี้ท่านจำแนกเป็นห้าประเภทตามที่จะ ก, กล่าวต่อไปในหมวดห้านะคือหมายถึงว่าพระอริยบุคคลพระอนาคามีนี้ก็ละสังโยชน์ได้ห้าอย่างคือหนึ่งจักรยานิธิสองวิจิกิจฉาสามสี่ระพตาปรามาสสี่การมราคห้าปฏิฆะนี่เรียกว่า ละได้ห้าอย่างนี่พระอนาคามีจึงละกามได้นะละกามได้พระอนาคามีก็คือว่าผู้ไม่มีบ้านมีเรือนแล้วหลุดพ้นไปแล้วนะก็สี่พระอรหันต์ได้แก่พระโยคลผู้ตั้งอยู่ในพระอาตผลเป็นพระอาเสขบุคคลผู้เศรษกิจในทางพระพุทธศาสนาเมื่อดำรงอาชีพอยู่จนสิ้นอายุขัยแล้วก็มานิพพานพระอรหันต์นี้จำแนกออกเป็นสีตามที่ได้กล่าวมาแล้ว พระอหันนี้ละสังโยชน์ได้สิบอย่างคือหนึ่งสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสี่เลโกตระสามาสห้าการมาราคะคือความยินดีในกามหรือความพอใจในกามอ่าสี่การมราคะความพอใจในกามห้าปฏิคะความกระทุกกระทั่งแห่งใจหกอรูปราคะความยินดีในรูปเจ็ดอรูปราคะความไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่เป็นรูปอแปด ความถือมาณคือความถือถือตัวสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาเก้าอุทธะความฟุ้งซ่านํำคาญใจสิบอวิชชาคือความโง่เขลาพระอรหันต์ละได้ทั้งสิบอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเสร็จกิจหมดกิเลสตัณหาสิ้นภพสิ้นชาตินี่แหละเรียกว่าละสังโยชน์ได้สิบประการถ้าจะตั้งปัญหาถามว่า พระอาหารหันต์ทั้งสี่กับพระยาบุคคลสี่ต่างกันหรือเหมือนกันถ้าตอบว่าต่างกันก็ต่างกันอย่างไรถ้าตอบว่าไม่ต่างกันข้อนั้นเฉลยว่าอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าพระยบุคคลสามจำพวกข้างต้นต่างจากพระอาหารหันต์สี่เพราะยังไม่เสร็จกิจในการละการบำเพ็ญเพื่อมรักผลเบื้องสูงขึ้นไปส่วนพระยาบุคคลจำพวกที่สี่นั้นเหมือนกันเพราะเป็นผู้สาเร็จกิจ ด, ด้วยกัน คือหมายความว่าคือพระอรหันต์ทั้งสี่กับพระยบุคคลสี่นั้นนั่นน่ะคือในในพระยบุคคลสามนะในพระยบุคคลสามก็คือสามพวกข้างต้นนี้ยังยังยังละสังโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดนะยังไม่เป็นพระอรหันต์อ่าคือยังเรียกว่ายังมีกิจที่จต้องทําต่อไปอีกนะยังมีกิจที่ต้องทําต่อไปอีกแต่พระยบุคคลสี่นั้นเหมือนกับพระอรหันต์สี่ นะเหมือนกับพระอรหันต์สีเพราะว่าเสร็จกิจเหมือนกันอนะืหรือถ้าจะมีคําถามว่าพระยบุคคลสี่จะย่นให้เหลือสองได้หรือไม่ถ้าได้ก็ลองมาดูอันนี้เราก็ตอบมาได้สามองค์ข้างต้นนะพระยบุคคลนะพระยบุคคลสามข้างต้นก็คือหนึ่งโสดาบันสองพระสะกาทาคามีสามพระนาคามีข้างต้นย่นลงเป็นหนึ่งนะคือเรียกว่าพระเสขะส่วนพระอหรหันต เรียกว่าพระอเสขะคือพระอเสขะก็หมายถึงว่าพระผู้ยังต้องศึกษาอยู่คือทำกิจอประหารกิเลส ต, ต่อไปแล้วก็พระอาหารหันต์นั้นก็คือหมดกิจแล้วเพราะได้สิ้นกิเลส ต, ตัณหาหมดแล้วสิ้นภพสิ้นชาติแล้วนี่พระอเสขะก็ไม่ต้องศึกษาแล้วหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าพระยะบุคคลสี่ต่างก็ละกิเลส ต, ตัณหาโดยเอกเทศสิ้นเชิงกว่ากัน เมื่อกล่าวโดยอนุสัยเจ็ดแล้วพระอุคโณสี่จะละได้ต่างกันอย่างไรอันนี้เราตอบว่าละได้ต่างกันพระโสดาบันก็ละได้พระโสดาบันละได้ได้สามนะละได้สามก็คือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาอ่าสักก า, าคามีอ่าก็ละได้สามอ่าสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตปรามาสเท้ากับทําราคะโทสะให้เบาบาง ส่วนพระอนาคามีก็ละได้ห้าก็ตั้งแต่สักยาิิฐิวิจิกจฉาศีแล้วา็ตระสะสามาสการมาราคะปฏิฆ ะ, ะนี่อย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าละสังโยชน์ได้นะละสังโยชน์ได้ส่วนพระ อ, อรหันนั้นก็ละได้หมดทั้งสิบอย่างตั้งแต่สักยะติสิวิจิกิชาสิละพรตสะตามาสกามาราคาปฏิฆารูปราคาอรูปราคามานะอุตจาวิช า, า, ชาทีนี้ก็ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าพระอิบุคลนสี่ก็พอเข้าใจได้แต่อริยมรรคเบื้องบนนั้นคืออะไรบ้างเมื่ออริยมรรคทั้งสามกำจัดสังโยชน์ได้ต่างกันอย่างไร จัดเป็นอยายบุคคลสองได้ในะจําพวกไหนอริยมรื้องบนก็คือสกทาคามีมรั้อน า, าคามีมรั้งอรหัตมรั้งพระสกทาคามีมรั้งละสังโยชน์ได้สามเทพโสดาปฏิมรั้และอันละแล้วนั้นทำ ร, ราคะโทสะให้เบาบางลงพระนาคามีมรั้ละโอรมภากิรสังโยชน์ได้ห้า คือตั้งแต่สกฤติทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและ้วกะาตาปรามาศกามราคา้ปฏิฆะส่วนพระอระหันต์ละสังย์ได้ทั้งสิท์ท่างกันอย่างนี้จัดเป็นพระยะบุคคลสองในจำพวกพระเสขะนะพระเสขและพระอเสขะนั่นเองทีนี้ก็เมื่อพูดถึงเรื่องพระยะบุคคลสี่ก็จะพูดถึงอริยวงเลยนะพูดถึงอริยวงให้ต่อเนื่องกันไปนเมื่อพูดถึงอริยวงก็ มีอยู่สี่อย่างก็คือหนึ่งสันโดษ ด, ด้วยจีวรสองสันโดษ ด, ด้วยบิณฑบาทสามสันโดษ ด, ด้วยเสนาชนะสี่ินดีในการเจริญกุศลและในการละกุศลคำว่าอริยวงก็แปลว่าเชื้อสายของพระอริยเจ้าตามที่ท่านได้ความหมายของอริยวงไว้ว่าปฏิปทาของพระอริยวง์บคุคคลผู้เป็นสมณะเรียกว่าอริยวงดังนี้ได้ความว่า เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระยะวงผ์ผู้เป็นสมณะเท่านั้นมีสี่อย่างคือหนึ่งสันโดษ ด, ด้วยจีวรได้แก่ยินดีด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยคือจีวรตามมีตามได้นะไม่สแสวงหาปัจจัยลาภเช่นนั้นในทางที่ไม่ควรสแสวงหาคือสแสวงหาด้วยอาการอันไม่ชอบด้วยธรรมซึ่งหมายความว่าไม่สแสวงหาด้วยการหลอกลวงเขาหรือในทางที่ผิด อทําทนองคลองทำหรือว่าผิดตามพระบรามาพุท ธ, ธานุญาตนะเราได้มาด้วยชอบธรำอาจจะว่าเรียกว่าหนึ่งเขาถวายอาอย่างนี้นะเขาถวายหรือว่าเราไปซื้ออะไรของเรามาเองอะไรอย่างนี้ก็ควรไม่ใช่ว่าเราไปบอกกล่าวหรือว่าไปหลอกลวงพูดในเขาต้องน้อมราบมาเพื่อตนอะไรอย่างนี้ถือว่าผิดทำทํานองคลองทำข้อที่สองก็คือ สังโดตด้วยบินาบาดได้แก่การยินดีด้วยอาหารวินาศาดเครื่องยั่งชีวิตให้เป็นไปตามมีตามได้ไม่เถเยียญแสวงหาในทางอันไม่ชอบคือหมายความว่าการที่เราเทียบบินบาศาตก็คือว่าบินาบาดไปไปตามมีตามได้ก็คือว่าเราเราบินบาศาดหวังว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็ไปเป็นกิจจวัรของเรานะไปเป็นกิจจวัดของเราอืม เขาให้เราก็พอใจในสิ่งที่เราได้แค่นั้นนะถึงแม้ว่าเราจะได้สักหบ้านเราก็พอใจได้สองบ้านเราก็พอใจนะอย่างนี้เรียกว่าเราเลี้ยงชีวิตตามีตามได้แต่อีกประเภทหนึ่งประเภทว่าอขอประทานโทษประเภทเทพประบุเท้าไฟนะประเภทนี้ก็ไม่ไหวนะเห็นแล้วก็น่ากลัวคือประเภทที่เรียกว่า พอเห็นญาติโยมใส่บาตรก็ฟรู้ฟ้าเป็นอะไรรู้สึกว่ามันเกินไปนะผิดสวณะวิสัยนะหรือว่ามีการแย่งอะไรกันอย่างเงี้ยแหมรู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ใช่วิสัยของสมณะนะนะดูแล้วอันนี้ถ้าหากว่าใครเห็นเขาแล้วก็น่าสังเวชใจนะถึงปีใหม่ทีสงการทีเะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่ามีการแย่งกันมากนะอันนี้ก็ ขอประทานโทษที่ต้องพูดอย่างนี้ก็คือว่าเราพูดกันตามความจริงนะพูดกันตามความจริงที่ได้เห็นได้ประสบมานะคือบางทีพวกเราก็ลืมฐานะตัวเองนะฉะนั้นญาติโยมเขาใส่ในเขาดูนะเขาดูว่าพระเนรองไหนสารวมหรือไม่สารวมแต่พวกเราก็ลืมตัวมุ่งแต่ว่าเห็นลาบด้นั้นดีไม่ดีนะอันไหนมีเครื่องกระป๋องอันไหนมีปัจจัยก็ไปยัดเยียดเบียดเสียกันนั่นแหละนะนะ บางครั้งจนตัวเองเนี่ยเข้าไปไม่ถึงก็เอียงตะแคงตัวเข้าไปเอาฝาบาทเข้าไปอย่างเงี้ยแหมดูแล้วมันน่าเกลียดเหลือเกินนะมันน่าเกลียดเหลือเกินดีแล้วขอประทานโทษไม่เอาทัศพีโขพระเจ้า ก, ก็บุญแล้วนะเนี่ยบุญแล้วอันนี้ผู้พูดนี้เคยได้ไปเห็นมาแล้วก็บอกตรงๆว่าไม่สบายใจนะไม่สบายใจคือมีการแย่งกันนี่มันหมดท่าจริงๆเลยไม่ไม่ไม่ใช่เป็น ไม่ได้อยู่ในอาการของสมณะวิสัยคือไม่ได้อยู่ในวิสัยของผู้สงบเลยนะไอ้ที่ไหนที่เขามีกับแกงธรรมดาก็ไม่อยากจะไปรับนะแต่ถ้าวันธรรมดาแล้วก็แม้แต่กับแกงธรรมดาก็แมมรู้สึกว่าอยากได้เหลือเกินแต่ในวันเทศกาลแล้วก็เรากลับไม่สนใจนะโดยเฉพาะผู้พูดนี้บางทีวินทบาทเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยบางครั้งก็กลับบาทเปล่านะ ท, ทุกเดือน หรือบางทีก็ได้ไข่เค็มมาบ้างหรืออาหารอะไรมาสักชิ้นหนึ่งก็พอใจนะก็พอใจคือที่ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคงจะเป็นเวรเป็นกรรมละมัง้งจึงไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ถ้าตั้งใจรับจริงๆก็คงจะได้แต่ว่าเมื่อเดินออกไปแล้วก็เห็นว่ามันมีลูกศิษย์ลูกหาเดินเป็นไปหมดตามถนหนหนทางอตัวเองโอกาสมีจะได้ก็เลยเดินช้าๆเสียให้ลูกศิษย์เขาถึงก่อนจะมั่ง หรือบางทีก็เดินหลบไปซะบั่งให้ลูกศิษย์เขาได้รับซะบั่งเราเป็นครูบาอาจารย์พนแล้วก็พิจารณาว่าถึงเราไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> เพราะว่ายังไงก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหายังไงก็ยังมี <c oughs> ยังมีทองซื้อได้แต่ว่าลูกศิษย์ของเรานี้อ่าอาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่มีปัจจัยซื้อได้ถ้าหากว่าไม่ได้ฉะนั้นอันนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องอการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการบินดบาด ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันฉะนั้นก็ใคร่ขอให้บรรด า, านักเรียนนักศึกษาเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้สํารวมระวังเกี่ยวกับเรื่องการรับปินณบาศก็จะทําให้ดูแล้วก็น่าเคารพน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากอืมประการที่สามก็คือให้สันโดษ ด, ด้วยเสนาสนะได้แก่ยินดีด้วยเศนาสนะคือสถานที่อยู่ตามมีตามได้ไม่ทะเยอทะยานเดือดร้อนเก็เหตุอันนี้ อันเป็นเครื่องก่อให้เกิดกิเลสความกังวลอันนี้ก็หมายความว่าคือให้เราพอใจในที่อยู่นะให้พอใจในที่อยู่ว่าเราได้ที่อยู่อย่างไรก็พอใจที่นั้นพยายามทําที่อยู่นั้นให้สะอาดนะให้สะอาดจัดของให้เรียบร้อยบางคนไม่พอใจอ้างว่าที่อยู่นั้นคับแคบเกินไปบ้างนะหรือโตกะปรกไปบ้างหรือว่าที่อยู่นั้นมันอยู่แออัดบ้างอะไรบ้าง อันนี้แหละทาให้เรานั้นเรียกว่าเป็นคนฟุ้งเฟอ้อนะเป็นเครื่องบอกลักษณะว่าเป็นคนฟุ้งเฟอ้อดูแล้วไม่สวยไม่งามนะดูแล้วไม่สวยไม่งามคณะอันนี้แหละเราจะต้องมีความพอใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ที่อาศัยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เรานั้นอรู้จักทําความสะอาดนะทำกาทําทความสะอาดแล้วก็รู้จักลดไอ้ความเห่อเหิมทางจิตใจของเราเสียบ้าง ก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขได้แต่คนที่อยู่ที่ไหนไม่มีความสุขนั้นขอประทานโทษท่านเปรียบเหมือนกับพวก h, สุ น, นัขที่เรือนเพรางั้นเถอ ะ, ะ airline, มันอยู่ไม่มีความสุขแม้จะอยู่ในที่ดีมันก็ไ ม, มมนไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่ดีมันก็ไม่มีความสุขมันร้อนอยู่ตลอดเวลาให้คนที่ไม่สันโดษเหมือนกันจะอยู่ที่ดีก็ไม่มีความสุขอยู่ที่ไม่ดีก็ไม่มีความสุขคือมีข้ออ้างอยู่ร่ําไปนะมีความทะเยอทะยานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้อง <s> สันโดษด้วยเสยนาสะนะก็คือยินดีตามที่ตนมีตนได้อแล้วก็ค่อยๆขยับขยายตามโอกาสตามฐานะที่มันพอจะเป็นไปได้โดยที่ว่าไม่ไปเดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนผู้อื่นข้อที่สี่ก็คือยินดีในการเจริญกุศลและในการละอกุศลคือยินดีอยู่แต่ที่จะบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขสําราญและพอใจในการละอกุศลอันเป็นเครื่องนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อน นทีนี้ความสันโดษนั้นคือยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ไม่มกักมากและก็ไม่ทําแต่เพียงความยินดีเท่านั้นต้องสรนเสริญคุณแห่งสันโดษอย่างนั้นด้วยไม่ทําการแสวงหาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพราะเหตุแห่งปัจจัยทั้งสี่อย่างนั้นถึงไม่ได้ก็ไม่ทุรนทุรายและเมื่อได้ก็บริโภคใช้สอยอด้วยสติสังวรอ่าแล้วก็ และไม่ติดในปัจจัยสี่อย่างนั้นไม่ยกตนขค่มขคู่ผู้อื่นเพราะความสันโดษของตนยินดีอยู่ในภาวนาธรรมหรือการบาเพ็ญบุญกุศลให้มีขึ้นและก็พยายามละบาปอกุศลอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของอริยวง์ทั้งสี่คือหมายถึงว่าต้องสันโดษด้วยจีวรสันโดษด้วยบินตาบาทสันโดษด้วยเสนาสนะและยินดีในการเจริญกุศลและในการละอกุศล ก็พอจะตั้งเป็นปัญหาถามได้ว่าพระอริยวงค์คืออะไรพระอริยวง์ผู้เป็นเครือขัดมีปฏิปทานี้หรือไม่อันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าปฏิปทาของพระอริยเจ้าผู้เป็นสมณนะอะพระอริยวงคือเป็นครือขัด ไ, ไม่มีปฏิปไม่มีปฏิปทานี้เลยอเพราะเช่นจีวรเป็นของสมณะโดยแท้ครือขัดไม่มีความยินดีด้วยเลยนะ หรือถ้าจะตั้งปัญหาว่าคำว่าเนื่องด้วยสันโดษและสันเสริญซึ่งคุณแห่งสันโดษเช่นนี้มีอธิบายอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่ามีอธิบายเป็นปุกลาธิฐานว่าถ้ามหากรสปะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมคือความสันโดษได้แก่ความยินดีตามมีตามได้มีเท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นไม่ยินดีในการแสวงหาเพื่อตนอีก เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมอยู่ด้วยความผาสุขสบายไม่มัวเมาหมกมุ่นอยู่ด้วยการแสวงหาได้ชื่อว่าตัดปริโโคดความกังวลเสียได้เป็นเหตุให้เกิดความสุขกายสบายใจท่านจึงไม่พรรณนาคุณแห่งสันโดษไว้เพื่อให้กรบูบทผู้เกิดสุดท้ายภายหลังจะได้ปฏิบัติตามฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอาการบรรยายาเกี่ยวกับเรื่อง อริยวงก็คิดว่าพอเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจกับอนักเรียนนักศึกษามาก็พอสมควรกับเวลาตั้งแต่ต้นคือเรื่องพระอรหันต์สี่ก็ดีคือหนึ่งสุขวิปัสสกผู้เจริญวิปัสนาล้วนสองเตวิชโชผู้ได้วิว ช, ชาสามสามชะละพิญโยผู้ได้พิญญาหกสี่ปฏิสัมพิทัพปัตโตผู้ถึงไปสัมพิทาแล้วก็มาพระอบุคุสี่คือหนึ่งทดาบัน สองพระสกะทาคามีสามพระอนาคามีสี่พระอาหารหันต์แล้วก็มาอาริยวงสี่สันโดษด้วยจีวรสันโดษ ด, ด้วยบิดาบาตสันโดษ ด, ด้วยเสยนาสนะและยินดีในการเจริญกุศลและกุศลก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่สี่ว่าด้วยเรื่องอารูปสี่ เอากาสานัญจายตนะสองวิญญาณัญจายตนะสาอากินจัญญาจตนะสี่เนวสัญญานาสัญญายตนะประการแรกขอให้ท่านทําความเข้าใจกับคําว่าอารูปเสียก่อนหรือว่าอารูุ ป, ปเนี่ยคืออารูปแปลว่าสภาพที่ไม่มีรูปเป็นชื่อของฌานก็มีเป็นชื่อของ ภพก็มีนะเช่นอารู ป, ประฌานหรือว่าอารู ป, ประภพนะท่านจำแนกออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งอากาสานัญยตน ะ, อ, ะอันนี้มีอธิบายว่าเมื่อพระโยคาวจรได้บรรลุจตุทะฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่แล้วก็พิจารณาส่วนปฏิปทาส่วน ปฏิภาคณิมิตนะปฏิภาคณิมิตก็หมายถึงว่าเป็นอนิมิตทีเ่เทียบเคียงขยายได้ให้ใหญ่ได้ให้เล็กได้นะจนเห็นจนเห็นเป็นอากาศที่ว่างเปล่าคำหนึ่งอากาศเป็นอารมณ์ว่าเป็นของว่างเปล่าหาที่สุดนี้ได้ทำในใจไม่ยึดถือเอารูปนั้นเป็นอารมณ์ คำหนึง่งอากาศเป็นอารมณ์บริกรรมว่าอากาศหาที่สุดมิได้อากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะมาในข้อที่สองวิญญาณัญจายตนะคือเมื่อพระโยคาวจรอนบำเพ็ญอรูปฌานที่หนึ่งต่อแต่นั้นล่วงอากาศเสียไม่ถือเอาอากาศเป็นอารมณ์ เพราะเห็นภายในอากาศว่าเป็นของใกล้รูปจนคำหนึงถึงวิญญาณถือเอาวิญญาณเป็นอารมณ์บริกรรมว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ชื่อว่าวิญญาณนันจายตนะข้อที่สามอากินจัญญาเจตนะนั้นมีอธิบายว่าเมื่อพระโยคาวจรบบำเพ็ญไดว้วิญญาณนันจายตนะแล้ว ต่อแต่นั้นล่วงวิญญาเสียพิจารณาสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเกือบจะไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ชื่อว่าอากินจัญญายตนะเซเนวะสัญญานาสัญญายตนะนั้นมีอธิบายว่าเมื่อประโยคขาวจรบำเพ็ญได้อากินจัญญายตนะแล้วต่อแต่นั้นล่วงอารมณ์อันเกือบไม่มีอะไรเสียนั้น จนเป็นผู้มีสัญญาคือความรู้สึกตัวก็มีใช่เป็นผู้หาสัญญาคือความรู้สึกตัวมิใช่อความรู้สึกตัวก็มีใช่ชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะ่ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าอนเนวสัญญานาสัญญาตนะนั้น คือการบําเพ็ญเพียรได้อากินจัญญายตนะแล้วในลําดับนั้นล่วงอารมณ์เกือบไม่มีอะไรเหลือนสี่เลยจนเป็นผู้มีสัญญาคือความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้สึกตัวเลยก็มิเชิงนะไปในทํานองนั้นอ่าเรียกว่าหาสัญญาก็มิได้อ่าหรือว่าจะมีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงออย่างนี้เราเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฉะนั้นอารู ป, ประชานสี่ดังที่ได้อธิบายมาแล้วนี้เป็นชื่อของฌานนะส่วนที่เป็นชื่อของภพนั้นได้แก่พระโยคาวจอผู้บำเพ็ญเพียรจนได้อารูปประชานทั้งสี่นี้แล้วเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปบังเกิดในภพแห่งอารูปประพมนะแห่งแห่งรูปประพรมเพราะอารูปประชานทั้งสี่นี้ยังเป็นโลกีอยู่ มีชื่อตามอารมณ์ประชานทั้งสี่ว่าอากาสาร น, นจายตนะพบวิญญาณญจายตนะอาพบอากินจัญญาจนะพบเนวสัญญานาสัญญาจนะพบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคําว่าประโยคาวจรก็คือหมายถึงว่าผู้ที่ได้บําเพ็ญเพียรนะผู้ที่ได้บําเพ็ญเพียรหรือผู้ที่เที่ยวไปประกอบความเพียรนะอันนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจด้วยทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่า อารูปสี่พระโยคาวจรได้บรรลุแล้วเพราะมีคุณธรรมอะไรมาก่อนทำนี้เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วอาจเสื่อมได้หรือไม่ท่านเปรียบไว้คล้ายกับอะไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่ า, าเมื่อผู้ประกอบความเพียรได้บรรลุแล้วเพราะได้บรรลุอารูปเพราะได้บรรลุรูปฌานสี่มาก่อนแล้วจึงบำเพ็ญอ่านต่อไปได้ และธรรมนี้เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วอาจเสื่อมได้เพราะยังเป็นส่วนโลกิยธรรมอยู่ท่านเปรียบไว้ว่าคล้ายกับก้อนหินที่ทับหญ้าคือหญ้าย่อมไม่งอกเงยขึ้นได้ในเมื่อก้อนหินยังทับอยู่แต่ถ้ายกก้อนหินออกเสียแล้วเมื่อใดหญ้านั้นก็กลับงอกเงยขึ้นได้อีกฉะนั้น หรือถ้ายังมีปัญหาถามว่าท่านผู้ได้บรรลุอรูปฌานสี่ต้องมีสมาธิเป็นปรทับฐานหรือไม่เพราะเหตุใดจึงตอบอย่างนั้นอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าต้องมีสมาธิเป็นปรทับฐานเพราะท่านผู้ได้บรรลุอรูปฌานสี่ต้องบรรลุรูปฌานสี่จึงเรียกอีกในหนึ่งว่าอัปปนาสมาธิก่อนฉะนั้นจึงเห็นว่าจำต้องมีสมาธิเป็นปทัฐานโดยแท้จริง หรือจะตั้งปัญหาถามว่าโอภาสแสงสว่างท่านจัดเป็นวิปัสณูปกิเลสประการหนึ่งโดยทานองเดียวกันอากาสานัณจายตนะฌานก็ต้องเป็นวิปัสณูปกิเลสด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้จะสอนให้ริอให้ริเริ่มเรียนฌานซึ่งยังไม่นับว่าเป็นทางศัสรู้ไว้ให้เนิ่นช้าทำไมไง จะสอนให้เรียนฌานซึ่งยังไม่นับว่าเป็นทางศรัสรุไว้ทำไมสอนโดยตรงเฉพาะทางตรัสรู้มิดีกว่าหรือหรือจะควรบริหารว่าอย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าอากาสานันจยยาาญจายุนะฌานคือคำหนึ่งเป็นอารมณ์เฉพาะอากาศหาที่สุดมีได้ต่างกับโอภาษซึ่งเกิดกับท่านผู้จริญวิปัสสนาพ้นกังขาวิตรณะแล้ว เป็นแสงสว่างอันเกิดกับใจที่สงบนั้นแต่ที่แสดงฌานไว้ก็เพราะเป็นขั้นต้นแห่งทางตรัสรู้ไม่ใช่ว่าทำให้เนิ่นช้าส่วนวิปัสสนูปกิเลสคือโอภาสนั้นโอภาษนั้นเป็นประดุดกรุยบอกทางไม่ให้ผู้ปำเพ็ญเพียรติดอยู่เพียงนี้โดยเข้าใจว่าบรรลุมรรคผลนั่นเอง น, นี่ก็ เป็นเรื่องของอารูปสี่ก็พอเป็นแนวทางต่อไปก็จะพูดถึงในหัวข้อว่าอาวิชชาสี่อวิชชาสี่ก็คือหนึ่งไม่รู้ทุกสองไม่รู้ในทุกสมุทยัยสามไม่รู้ในทุกขานิโรธสี่ไม่รู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาคาว่าอวิชชาก็แปลว่าความโง่เขลาเนี่ความโง่เง่าความไม่รู้เนี่ย คำว่าไม่รู้ในที่นี้ก็ได้แก่ไม่รู้อริยสัจสี่คือไม่รู้หนึ่งไม่รู้ทุกขได้แก่ไม่รู้ในกองทุกสิบสองประการมีชาติทุกข์เป็นต้นมียำปิดฉังนรพติตามปิทุขังยำปิดฉังนรพติตามปิทุกขั ง, อ, ง, ขงอันกระทำให้กระวนกระวายในเมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นทุกข์ ทุกทั้งสิบสองประการนี้ย่อมเบียดเบียนบีบคั้นจับทั้งปวงให้ได้รับความทุกข์ความอให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือได้รับทุกขเวทนาหาที่สุดมิได้ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าทุกขอริยสัจนะในทุกขะอริยสัจข้อสองไม่รู้ในทุกขะสมุทัยได้แก่ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์คือตัวตันหาสามมีการมาตันหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาสามประการนั้นคือภาวะตันหาก็ความอยากในกามขอประทานโทวกามตันหาก็คือความอยากในกามภาวะตันหาก็คือความอยากอยู่ในภพหรืออยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นทั้งสามประการนั้นเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าทุกขัดสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข้อที่สาม ไม่รู้ทุกในนี้ทุกขะในไม่รู้ไม่รู้ในทุกขะนิโรธก็ได้แก่ไม่รู้พระนิพพานอันออกจากตัณหาหนายจากราคะโทสะโมหะดับราคะโทสะโมหะให้สิ้นสูญจากสันดานได้แล้วก็เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกเป็นต้นน ะ, ะมีชาติทุกเป็นต้น อาฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าทุกขะนิโรธอริยสัจหรือนิโรธอริยสัจข้อ c ไม่รู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาได้แก่ไม่รู้จักพระอัฏฐานกิมมักคือหมายถึงว่ามักประกอบด้วยองค์แปดประการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปะดริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมารกรรมมันตะการงานชอบสัมมา อาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติเออลึกชอบอสัมมาส ม, มาทิตั้งใจมั่นชอบอนี่แหละถ้าหากว่าเราไม่รู้ในในอัตถังคิดกรรมคือมรรคประกอบด้วยองค์แปดแล้วแน่นอนที่สุดก็ชื่อว่าเราไม่รู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอันเป็นทางสำหรับที่จะปฏิบัติให้สำเร็จสันิพาน อันเป็นที่ระ ง, งับดับกองทุกทั้งปวงฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจฉะนั้นปัญหาในข้อนี้ก็มีส่วนที่น่ารู้ก็คือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของทุกสนะิบสองในเรื่องของทุกสิบสองที่บอกว่าไม่รู้ทุกก็คือได้แก่ไม่รู้ในในกองทุกสิบสองก็มีตั้งแต่ อการเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นี่แล้วก็โสกะอปริเทวะอทุกขะโพมณัตอุปายาสะออปิเยหิสัมโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนราติตตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นนนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นอืม แต่ว่าทุกรวบยอดก็คือว่าทุกในขันห้านั่นเองทีนี้ถ้าจะมีคำถามว่าในทุกขัสัตนะต่างกับทุกขเวทนาอย่างไรบ้างอันนี้เราตอบว่าต่างกันทุกขัสัตหมายเอาสภาวะทุกหมายเอาสภาวะทุกสภาวะทุกก็คือทุกประจําสังขารทุกประจําสังขารเมื่อวิชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นแดนเกิด ส่วนทุกขเวทนาหมายเอาหมายเอาทุกที่เกิดจากปัจจัยภายนอกมีอิทธาร่มและอนิทาร่มเป็นแดงเกิดด้วยการรู้ติระปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปะหานปริญญากำหนดรู้ด้วยการละ น, นกำหนดรู้ด้วยการละหมายถึงว่าอ่าต่างกันกับทุกเวทนาอย่างไรบ้างหรือไม่แล้วก็บอกว่าต่างกันนข้อนี้ก็สําคัญว่า คำว่าทุกขายาศาสตร์นั้นหมายถึงเอาสภาวุทุกคือเกิดแก่ตาย เ, าเกิดแก่ตายโดยมีวิชาตัญหาปารทานกรรมเป็นแดนเกิดส่วนทุกขเวทนานั้นหมายเอาทุกที่เกิดจากปัจจัยภายนอกมีอารมณ์ที่เพาะชอบใจและอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นแดนเกิด อ, อที่เรารู้ได้ก็ด้วยการด้วยด้วยเตือนะปัญญาคือกําหนดรู้ด้วยการพิจารณาและปะหานะปิญญากําหนดรู้ด้วยการละเสีย หรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าไม่รู้ทุกที่นับว่าอวิชชานั้นเรียกว่าไม่รู้ทุกขสั์ถูกหรือไม่ถ้าอย่าง น, นั้นกำหนดรู้อย่างไรบ้างที่เรียกว่าทุกขสัจเราตอบได้เลยว่าที่ไม่รู้ <t partners |notimestamps|> ทุกที่นับว่าวิชานั้นเรียกว่าไม่รู้ทุกขสั์ถูกหรือไม่เราตอบว่าถุกกาหนดรู้ด้วยปัญญาคือยาตะปิญญากาหนดรู้กาหนดรู้จึงจะเรียกว่า รู้ทุกขสัตนี่เรียกว่ารู้อย่างไรรรู้ทุกขสัตคือกาหนดรู้ด้วยญาตะปริญญากาหนดรู้ด้วยการรู้ญาตะก็รู้ปริญญาก็รู้คือกาหนดรู้ด้วยการรู้นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกขสัจหรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าความไม่รู้จักทุกอย่างไรบ้างเรียกว่าทุกขาวิชาทุกเหล่านั้นย่อลงให้สั้นมีเท่าไหร่เราก็ตอบว่าคือไม่รู้ว่าทุกเป็นของจริง เป็นของกมควรกําหนดรู้เรียกว่าทุกขาวิชาทุกขาวิชาย่อลงให้สั้นมีเพียงสองประเภทคือกายที่กัตุคื อ, ยย ท, คอทุกทางกายเจตสิกกัตุคือทุกทางใจนะหรือสามวิตทุกขอทุกที่เจือพนด้วยอามิตรนิรามิตรทุกก็คือทุกนี่ปราศจาก อ, าอ่าออามิตรอืนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของ อาวิชาสี่นะเป็นเรื่องของอวิชาสี่แล้วก็เป็นเพียงแนวทางย่อๆให้นักเรียนนักศึกษาได้ลองทบทวนทาความเข้าใจก็ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นนะทีนี้ก็จะบรรยายในหัวข้อต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารสี่นะอาหารสี่ก็คือหนึ่งกาวะลิงการาหารอาหารคือคาข้าวสองผัดสาหารอาหารคือผัดสะ อาสีมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาอาสามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาสี่วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณนอาหารคือวิญญาณทีนี้ประการแรกขอให้ท่านทั้งหลายมาทําความเข้าใจว่าอาหารคืออะไรคําว่าอาหารคืออะไรอาหารก็คือ ได้แก่ปัจจัยที่นำผลมาในที่นี้ท่านจำแนกไว้เป็นสี่นะในที่นี้ท่านจาแนกเป็นอีกคือหนึ่งกาวะลิงกลาอาหารอาหารคือคำข้าวอ่าข้อนี้หมายเอาอาหารที่จะต้องกลืนกินทุกชนิดเป็นต้นว่าข้าวสุก ข, ขนมสดปลาเนื้ออาหารอ่าชนิดนี้ย่อมนำผลคือเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปตรงกับอ่า สามเณรปัญหาว่าสัเสตเทสตตาอาหารติกาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีอาหารเป็นที่ตั้งหรือดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสิ่งมีชีวิตขาดอาหารก็ตายนะขาดอาหารก็ตายเพราะว่าอาหารนี้เป็นเครื่องบำรุงเหล่าเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตนะคือทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะข้อที่สองผัษาอาหารอาหารคือผันะอ่า ภาษาหมายถึงการถูกต้องข้อนี้หมายเอาความประจวบแห่งอาจฉะภายในกับอาจฉะภายนอกและวิญญาณเป็นปัจจัยแห่งเจตสิกอันที่จะพึงเกิดโดยวิถีมีเวทนาเป็นต้นอุทาห์ในเรื่องภาษาหานี้ท่านยกเรื่องแม่ไก่ ก, กกลูกขึ้นแสดงธรรมดาลูกไก่เมื่อยังเล็กอยู่ไม่ได้กินอาหาร อาศัยแม่ไก่กกให้อบปุ่นอยู่ในระหว่างอกและขนปีกย่อมมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งปัจสาหานะคือพูดง่ายๆก็คือว่าปัจสานาี่ไหมเอาความประจวกกันแห่งอาจนะภายในกับภายนอกมากระทบกั น, กนและก็ประกอบด้วยวิญญาณเป็นปัจจัยที่จะพึงมังเกิดโดยวิถีมีเวทนาเป็นต้น ส่วนมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาข้อนี้หมายเอาความจงใจเป็นปัจจัยแห่งการทำการพูดการคิดซึ่งจัดเป็นกรรมโดยอธิบายว่าบุคคลเราจะพูดจะคิดอะไรต้องมีความตั้งใจถ้าไม่เช่นนั้นกิจที่ทาคำที่พูดเรื่องที่คิดก็จะผิดเหลวไหลหาชิ้นดีไม่ได้อันหนึ่งอาหารในเรื่องนี้ท่านยกเรื่องเ<ม>ตาขึ้นสแสดง ธรรมดาเต่าฝังไข่ไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วไปเที่ยวหากินที่อื่นตั้งหลายวันก็มีแต่มันก็มีความจงใจนึกถึงไข่ของตนไม่ลืมเลยความจงใจนั้นเป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นเครื่องเลี้ยงรักษาไข่เต่านั้นให้เป็นอยู่จนเกิดเป็นตัวอาหารชนิดนั้นก็ยังเป็นเครื่องรักษาจนกว่าเต่านั้นจะแข็งแรงพอเที่ยวไปหากินได้น่ะเที่ยวหากินได้ หรือพูดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือว่ามโนสัญเจตนาหารหมายเอาความตั้งใจหรือจงใจเป็นปัจจัยแห่งการทําการคิดซึ่งจัดว่าเป็นกรรมคือตั้งใจลงก่อนแล้วจึงทําจึงพูดจึงคิดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคิดที่ทำคําที่พูดเรื่องที่คิดก็จะผิดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นความจริงข้อที่สีวิญญาณอาหารคือ อ, อาหารคือวิญญาณวิญญาณนี้ท่านจําแนกออกเป็นสองวิสองวิถีสอง วิถีญาณนนะเป็นสองวิถีญาณได้แก่วิญญาณในแถวคือเดินทางทวารทั้งหกคือจักขุทวารโสตะทะวารคานะทะวารจิวหาทวารกายะทะวารมโนทวารปฏิสนธินะปฏิสนธิวิญญาณได้แก่วิญญาณในปฏิสนธิแรกเกิดโดยเอกโดยเอกเสสไนวิถีวิญญาณเป็น อันกล่าวถึงภาษาหารวิญญาณาหารในที่นี้น่าจะได้แก่ปิสุนทิวิญญาณอันเป็นปัจจัยนำผลคือนามารูปมากล่าวโดยสมมุติคืออัตตาอัตภาพข้างหน้าอันจะเจริญขึ้นโดยลำดับได้ในองค์แห่งปฏิจจสมุปบาทว่าวิญญาณปัจจยานามารูปังซึ่งแปลว่านามารูป ย่อมเกิดมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนะเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณนี้จําแนกออกเป็นสองวิถีวิญญาณคือหมายถึงว่าความจําแนกออกเป็นสองสองความรู้สึกนะไอ้วิถีเนี่หมายถึงว่าทางาวิญญาณความรู้สึกในสองอย่างคือได้แก่วิญญาณที่อยู่ในแถว คือในในในแถวก็คือว่าที่อยู่ในหลักอันอันเดินทางทวารทั้งหกในในแถวของทวารทั้งหกในแถวของทวารทั้งหกมีอะไรก็คือจักรุทวานตาตาดูรายดูรูปตโสตาทะวานทวานคือหูหูทาําไงก็คือฟังเสียงคานะทะวานก็คือทวารคือจมูกจมูกก็คือทาําไงดมกลิ่น ชิวหาทวานทวานคือลิ้นก็หมายถึงว่าลิ้นมีหน้าที่ในการลิ้มรสกายทวานก็คืออก็คือทวานทางกายก็หมายถึงว่าการสัมผัสการถูกต้องนะมโมทวานก็คือหมายถึงท ว, วานทางใจก็คือความนึกคิดในอารมณ์ต่างๆที่เราพูดว่าตาเห็นรูปผูกฟังเสียงจมูกกลมกลิ่นลิ้น้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆอทีนี้นี่เป็นเรียกว่าทวานในแถว ในส่วนปฏิสนธิวิญญาณนะได้แก่วิญญาณในปริสนธิแรกเกิดแต่กล่าวโดยอเอกเสสไนก็หมายถึงว่ากล่าวโดยเอกเทศหมายความว่างั้นเถอะนะอ่าโดยเอกเทศก็คือวิถีวิญญาณหมายถึงว่าอหมายถึงวิถีวิญญาณน่าจะได้แก่ปฏิสนธิวิญญาณอันเป็นเหตุจะให้เกิดนามารุนะ หมายถึงว่าปัจจุวิญญาณที่ให้เกิดนามารูปแต่กล่าวโดยสมมุติได้แก่ร่างกายคืออัตภาพอันเจริญภายหน้าโดยลำดับเพราะวิญญาณเป็นตัวเป็นตัวเหตุให้เกิดนามารูปนะเป็นตัวเหตุให้เกิดนามารูปทีนี้ถ้าเราจะตั้งเป็นปัญหาว่าอะไรเรียกว่าอาหารนะอะไรเรียกว่าอาหารมีเท่าไหร่อะไรบ้างร่างกายเปลี่ยนไปได้เพราะอะไรเราก็ตอบได้เลยว่า อาหารได้แก่ปัจจัยอันนําผลมานะอันนําผลมามีเท่าไหร่ก็บอกมีสี่อะไรบ้างก็คือกะวะลิงการอาหารอาหารคือคําข้าวสองภัษาอาหารอาหารคือภาษะการถูกต้องสามโนสังเจตนาอาหารอาหารคือมโนสังเจตนาคือความจงใจสี่วิญญาณอาหารอาหารก็คือวิญญาณร่างกายเป็นไปได้เพราะอะไรก็เพราะอาหารเหล่านี้ ดังบาลีว่าสัพเพสตาอารติกาสัตว์ที่มีสิ่งที่มีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารขาดไม่ได้หรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอาหารทั้งสี่ข้อจะจัดเข้าในขันห้าได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปถ้าได้ จ, จัดจัดอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าจัดเข้าในขันห้าที่ท่านย่น ย่อโดยได้สองคือหนึ่งกวลิงกลาหานจัดเข้าในส่วนรูปนในส่วนรูปส่วนอีกสามข้างต้นคือปัตสาหานอาหารคือปัตสัมโนสัญเจตนาหานอาหารคือมโนสัญเจตนาคือความจงใจวิญ ญ, ญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอันนี้ก็จัดเข้าเป็นนามนจัดเข้าเป็นนามคือรูปกับนามว่า ง, งันเถิดหรือข้อสามอาหาร อาหารชนิดที่กลืนกินเรียกว่าอาหารก็ควรอยู่แต่สำหรับอย่างอื่นมีภัสะเป็นต้นมีภัสะเป็นต้นเหตุไนจึงจัดเป็นอาหารด้วยเล่าอันนี้ก็แก้ว่าที่ต้องเรียกว่าอาหารด้วยนั้นเพราะภัสะเป็นปัจจัยแห่งเจตสิกอันจะเกิดขึ้นโดยวิถีมีเวทนาเป็นต้นคือพูดง่ายๆก็คือว่า พัฒนะนั่นมันเป็นปัจจัยแห่งการถูกต้องนะถูกต้องทําให้ให้ให้จิตทําให้จิตเกิดความนึกคิดนะเมื่อจิตเกิดความนึกคิดว่ามีการอารู้ถึงการเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเช่นว่าอะไรมากระทบร่างกายของเราโอ้เรารู้ว่าไฟนี่ร้อนนะไฟนี่ร้อนไปถูกน้ําแข็งก็โอ้น้ําแข็งนี่เย็นนะน้ําแข็งนี่เย็น ไอ้ทูของอุ่นก็รู้ว่าอุ่นนี่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นปัจจัยทําให้เกิดทําให้จิตใจนั้นเกิดมีเวทนาขึ้นนะมีเวทนาขึ้นเวทนาการสวยอารมณ์นะสุกก็รู้ว่าสุกทุกก็รู้ว่าทุกร้อนก็รู้ว่าร้อนเย็นก็รู้ว่าเย็นอันนี้เป็นต้นอมโนสัญเจตนาหารคือหมายถึงความจงใจนี่ก็เป็นปัจจัยแห่งการทําการพูดการคิดซึ่งจัดว่าเป็นกรรมจัดว่าเป็นกรรมอ่า อันนี้ก็หมายถึงว่าอาหารทางใจคือใจนั้นมีหน้าที่ในการนึกคิดนึกคิดสารพัดนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยเรียกว่าจิตมันดิ้นรนกัดแก่งอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องบุญคิดเรื่องบาปคิดกุศลอกุศลคิดอยู่อย่างเนี้ยธรรมชาติของใจก็คือย่อมไหลคิดไปในเรื่องที่ต่ํำฉะนั้นเราจะต้องฝืนจิตฝืนใจนการฝืนจิตฝืนใจนั่นแหละ เข่ากับว่าเราฝึกจิตฝึกใจดัดจิตดัดใจให้จิตใจมีความมั่นคงให้มีความ แ, มแน่วแน่ไม่กวัดไม่แกว่งเหมือนกับบาลีที่ว่าพันธนังจะปรลังจิตตังทุรักขังทุนิีวารยังจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากนะรักษายากห้ามยากฉะนั้นเราก็ต้องฝึกจิตฝึกใจนะฉะนั้นอาหารคือการนึกคิดการพูดนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรม ที่ท่านบอกว่าเจตนาหังพิฆเวกรัรมมังวะทามิเรากล่าวว่าตัวเจตนาเป็นกรรมฉะนั้นวิญญาณวิญญาณน่าจะได้แก่ไปสนทิวิญญาณอันเป็นปัจจัยแห่งรูปนามกล่าวโดยสมมุติก็คืออันตรภาพข้างหน้าอันจะเจริญขึ้นโดยลำดับนั่นเองเอาละวันนี้ได้บรรยายเกี่ยวกั บ, เ ก, กบนะเกี่ยวกับอรูปสี่นะเกี่ยวกับอรูปสี่ก็ได้แก่ ได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะเนวสัญญานาตัญญาญตนะมาก็คิดว่าพอเป็นแนวทางที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้กําหนดรู้เพราะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอารูปสี่นี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะว่าอารูปนี้บางทีก็ใช้กับคําว่า อาชาญก็มีเช่นอารูปรชาญและในบางที่ก็ใช้กับคําว่าพบเช่นอารูปรพบนี่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็ให้เราค่อยๆได้พิจารณาไปว่าอากาศสารนัญจาญจานะนั้นก็ได้แก่ผู้ที่บำเพ็ญความเพียรจนได้บรรลุจตุจจรานนะความเพียรจนได้บรรลุเจตุตจรานส่วนวิญญาณนันชาญจนะนั้นก็หมายถึงว่าผู้ที่ทําความเพียรจนได้อารูปรชาญหนึ่งแล้วในลําดับล่วงในลําดับนั้นก็ล่วงอากาศเสีย ถือเอาวิญญาณเป็นอารมณ์ว่าวิญญาณหาที่สุดมีได้แล้วในลำดับที่สามก็คืออากิจัญญาจตน ะ, ะก็หมายถึงว่าผู้ที่บาเพ็ญความเพียรได้วิญญาณนันจัญญาณแล้วในลำดับนั้นล่วงวิญญาณเสียถือเอาความไม่มีอะไรเหลือสักหน่อยหนึ่งเป็นอารมณ์คือเกือบไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยนี้เรียกว่าอากิจัญญาจตน ะ, ะเป็นอารมณ์ที่สาม ส่วนที่สี่ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะหมายถึงว่าผู้มีความเพียรบำเพ็ญได้อากินจัญญายตนะแล้วในลำดับนั้นล่วงอารมณ์เกือบไม่มีอะไรเหลือนั้นเสียจนเป็นผู้มีสัญญาคือความรู้สึกตัวก็มีใช่เป็นผู้ต้องหาสัญญาไม่ได้ก็ไม่ใช่นี้จัดเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารูปฌานที่สี่แล้วก็ ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาวิชาสี่ก็คือหนึ่งไม่รู้ทุกสองไม่รู้ในทุกขะสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกสามไม่รู้ในทุกขะนิโรธคือความดับทุกสี่ไม่รู้ในทุกขะนิโรธถ้ า, ามินีปฏิปทาก็คือไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกขและได้พูดถึงเรื่องอาหารสี่ก็คือหนึ่งกวลิงกะลาหารอาหารคือคำข้าวสองผัดสาอาหารอาหารคือ